สภาวะธรรมเกิดเองเป็นเองพอดีวันหนึ่งขณะที่เดินจงกรมอยู่เวลาประมาณห้าทุ่มกว่ารู้สึกแปล ก, ปลกมันแปลกมาแต่ตอนกลางวันแล้วรู้สึกว่าไม่คิดมากมีอาการสบายๆเขามีงานอยู่ในหมู่บ้านไกลประมาณสิบเส้นจากที่พักซึ่งเป็นวัดป่าเมื่อเดินจงกรมเมื่อไแล้ว เลยมันนั่งที่กระท่อมมีฝาแถบตองบางอยู่เวลานั่งรู้สึกว่าคู่ขาเข้าเกือบไม่ทันเอ๊ะจิตมันอยากสงบมันเป็นเองของมันพอนั่งจิตก็สงบจริงๆรู้สึกตัวหนักแน่นเสียงเขาร้องรำอยู่ในบ้านมีใช่ว่าจะไม่ได้ยินยังได้ยินอยู่แต่จะทำให้ไม่ได้ยินก็ได้แปลกเหมือนกันเมื่อไม่เอาใจใส่ก็เงียบไม่ได้ยิน จะให้ได้ยินก็ได้ไม่รู้สึกรำคาญภายในจิตเหมือนวัตถุสองอย่างตั้งอยู่ไม่ติดกันดูจิตกับอารมณ์ตั้งอยู่คนละส่วนเหมือนกระโถนกับกา้ําก็เลยเข้าใจว่าเรื่องจิตเป็นสมาธิถ้าน้อมไปก็ได้ยินเสียงถ้าว่างก็เงียบถ้ามันมีเสียงขึ้นก็ดูตัวผู้รู้ขาดกันคนละส่วน จึงพิจารณาว่าถ้าไม่ใช่อย่างนี้มันจะใช่ตรงไหนอีกมันเป็นอย่างนี้ไม่ติดกันเลยได้พิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆจึงเข้าใจว่าอ้ออันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเรียกว่าสันตติคือความสืบต่อขาดมันเลยเป็นสันติแต่ก่อนมันเป็นสันตติทีนี้เลยกลายเป็นสันติจึงนั่งทำความเพียรต่อไปจิตในขณะที่นั่งทาความเพียรคราวนั้น ไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งอื่นเลยถ้าเราจะหยุดความเพียรก็หยุดได้ตามสบายเมื่อเราหยุดความเพียรเจ้าเกลียดคร้านไหมเจ้าเหนื่อยไหมเจ้ารำคาญไหมเปล่าไม่มีตอบไม่ได้ของเหล่านี้ไม่มีในจิตมีแต่ความพอดีหมดทุกอย่างในนั้น